มีในสมัยหนึ่งที่สงครามระหว่างพวกเทพกับปศูนตั้งประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นท้าวเวปจิตจอมอศูนได้รับสั่งกับพวกปศูนว่าถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับปศูนถ้าพวกเราเป็นฝ่ายชนะพวกเทวดาเป็นฝ่ายแพ้เราจะพึงจองจำท้าวสักกะจอมเทพนั้น ด้วยเครื่องจองจำนำมายัางพบแห่งอสูรในสำนักของเราฝ่ายเทา้าสกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้รับสั่งกับพวกเทวดาในชั้นดาวดึงว่าท่านทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามในครั้งนี้พวกเราเป็นฝ่ายชนะพวกอสูรเป็นฝ่ายแพ้ไซท่านทั้งหลายพึงจองจำเท้าเวปจิตจับตัวมา ที่เทวสภาชื่อสุ ธ, ธรรมาในสำนักของเรานังนี้ก็สงครามในครั้งนั้นพวกเทวดาเป็นฝ่ายชนะพวกสู ร, รเป็นฝ่ายแพ้พวกเทวดาในชั้นดาวดึงจึงจับท้าวเวปจิตจอมสูรด้วยเครื่องจองจำที่ชื่อว่าปัญจมิทาพพันธนะคือการจองจำห้าแห่งคือที่ขาข้างที่หนึ่งข้างที่สอง ที่แขนข้างที่หนึ่งข้างที่สองและที่คอเป็นที่ห้าแล้วนำมายัางเทวสภาชื่อสุธรรมมาในสำนักของท้าวสัง ก, กะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ยินว่าท้าวเวปจิตผู้จอมสูญถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำห้าอย่างอย่างนี้แล้วในเวลาใดที่เมื่อท้าวเวปจิตจอมสูญมีความคิดว่า พวกเทวดาตั้งอยู่ในธรรมพวกอสูรไม่ตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้เราจะไปยังเทพนครหลังนี้แล้วพระเวประจิตจอมอาสูรนั้นก็จะเห็นตัวเองเป็นผู้พ้นจากเครื่องจองจำที่รัดอยู่ที่แขนที่ขาและที่คอกลับเป็นผู้ที่เ อ, อิบอิ่มเพียรพร้อมด้วยการบุญทั้งอาอันเป็นทิพย์แต่ถ้าเมื่อไหร ที่ท้าวเวปจิตจอมอสูนมีความดาริว่าพวกอสูนตั้งอยู่ในธรรมพวกเทวดาไม่ตั้งอยู่ในธรรมบัด น, นี้เราจะไปสู่ยังพบแห่งอสูนดังนี้แล้วท้าวเวปจิตจอมอสูนก็จะเห็นตนถูกจองจำอยู่ด้วยเครื่องจองจำที่รัดที่แขนที่ขาและที่คอและจะเห็นตนเองเสื่อมจากกามกุลทั้งห้า อันเป็นทิพย์พิสุทธิ์ทั้งหลายเครื่องจองจำของท้าเวประจิตละเอียดอย่างนี้แต่ว่าเครื่องจองจำของมารละเอียดกว่านั้นพิสุทธิ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงใหญ่เข้าไปอาศัยอยู่ที่ราบรุ่มใหญ่ใกล้ป่ากว้างเกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปรารถนาความไม่ปลอดภยัย ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแค่ฝูงกวางเนื้อสายฝูงนั้นเขาปิดหนทางอันกเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจของกวางเนื้อสายทั้งหลายเหล่านั้นเสียเปิดทางอันตรายเอาไว้วางเนื้อล่อตัวผู้ไว้ทั้งเนื้อล่อตัวเมียไว้ด้วยการกระทำอย่างนี้ฝูงกวางเนื้อสายฝูงใหญ่นั้นก็ถึงความวินาศ เบาบางไปในสมัยต่อมาผิสุตรลายก็กลับกว่างเนื้อสายฝูงใหญ่ฝูงนั้นเกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปรารถนาความปลอดภัยเป็นประโยชน์เกื้อกูลเขาเปิดหนทางอันกเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจของฝูงกว่างเนื้อสายเหล่านั้นและปิดหนทางอันตรายเสีย ถอนเนื้อล่อตัวผู้เสียทำลายเนื้อล่อตัวเมียเสียด้วยการกระทำอย่างนี้ฝูงกวางเนื้อสายฝูงใหญ่นั้นก็ถึงความเจริญงอกงามครับขั่งในเวลาต่อมาอุบะบางนี้เราปูกขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความคือคำว่าที่ราบรุ่มใหญ่นั้นเป็นชื่อของกามทั้งหลาย คำว่าฝูงเนื้อกวางฝูงใหญ่เป็นชื่อของสัตว์ทั้งหลายคำว่าบุรุษผู้ปรารถนาความไม่ปลอดภัยไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นเป็นชื่อของมารผู้มีบาปคำว่าทางอันตรายนั้นเป็นชื่อของมิจฉามรก์อันประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาจีวะ มิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิคำว่าเนื้อล่อตัวผู้เป็นชื่อของความกำนัดด้วยอำนาจความเปลินคือนันที่ราคะคำว่าเนื้อล่อตัวเมียเป็นชื่อของอวิชชาคำว่าบุรุษผู้ปรารถนาความปลอดภัยนั้นเป็นชื่อของตถาคตผู้อารันตะสัมมาสัมพุทธะ คำว่าหนทางอันกเกษมไปได้ตามชอบใจนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคมีองแกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติและสมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายหนทางอันกเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจ เป็นทางที่เราเปิดแล้วเนื้อล่อตัวผู้เราถอนออกแล้วเนื้อล่อตัวเมียเราทำลายแล้วกิจใดที่ศาสดาผู้เอนดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึ่งทำแก่สาวบกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่าง พวกเธอจงเปลี่ยนเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละว่าจะาเรื่องพร่ำสอนของเราแด่เอตอทั้งหลายและนี่คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับพระเจ้าพระมหาภัยบุ์อาภีปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกมาเล่าเรื่องราวที่พระพุทธเจ้า ได้ตรัทาทวายธรรมบังสมัยนี้นี่มันยังเป็นสมัยที่มีความสงบมีความสงบที่ว่าพวกเทวดาเขาไม่ได้ทําศึกสงครามกันแต่เราจึงเห็นท้องฟ้ามันยังเรียบเรียบเงียบเงียบใสใสยอยู่แต่เมื่อไรจงังหวะที่พวกเทวดาเขาทําสงครามกันเราเรื่องเคยมีมานานมากกว่านี้นานมากๆ สมัยที่เทวดาเขายังทำสงครามกันอยู่เทวดาเขาก็มีอยู่สองฝ่ายตำเป็ ง, งฝ่ายที่เป็นพวกเทวดากับฝ่ายที่เป็นพวกอสูรอสูรเนี่ยก็เป็นพวกเทวดาในฝักฝ่ายของพวกที่ไม่ดีในสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์เนี่ยจะมีอยู่สองพวกนั่นก็คือพวกของเท้าส ก, กะเทวราชเท้าส ก, กะเทวราชก็คือเป็นหัวหน้าของฝ่ายเทวดาที่ตั้งอยู่ในธรรม ในสวรรค์ชั้นดาวดึงฝ่ายพวกเทวดาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมในสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาก็เรียกว่าพวกอสูรมีหัวหน้าชื่อท้าวเวป จ, จิตแต่สองฝ่ายนี้เขาก็รบกันบางครั้งบางคราวเวลาเขารบกันเขาก็รบกันจริงๆริงจังๆและมีการรบอยู่ลหลายๆครั้งและมีครั้งหนึ่งปรากฏว่าพวกอสูรแพ้อย่างเรื่องที่เ่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี่แหละ เวลาที่พผู้สูญแพ้แล้วหัวหน้าของเขาก็ถูกจับตัวไปนะไปยังบริเวณบ้านของเท้าส ก, กะเทวราชคือบ้านของเท้าสักกะเทวราชคือพระอินเนี่ยบ้านใหญ่มากนะมฟังแนะมีเจดีย์ตรงนั้นมีที่ฟังธรรมตรงนี้มีสวนตรงโน้นประสาทตรงนั่นที่อยู่ตรงนี้นะอาคารเก็บรถแนะมีหลายอย่างแนะด้วยความเป็นเทวดาก็เป็นผู้ที่มากด้วยกามากุลทั้งห้าแน่นอนอยู่ลนะแต่ปรากฏว่า พอ ถ, ถูกจับไปเนี่ยท้าเวปปจิตหัวหน้าของฝ่ายอสูรแล้วก็ถูกเขาเรีกวผูกลำประฝังแล้วถูกผูกด้วยมนที่เท้ า, าส ก, กัดเทอร่าเนี่ยร่ายเอาไว้แล้วผูกไว้ด้วยมนเรื่องผูกตรงนี้มีรายละเอียด10อย่างเนี่ยคือผูกขาที่มันจะหนีแต่ถ้าจะหนีผูกไว้ด้วยอย่างนี้5้าอย่างแต่ถ้าจะไม่หนีก็ถูกผูกอีกด้วยอีก5อย่างแต่ถ้าจะหนี ก็ถูกปลูกด้วยเครื่องรึงรัดนี่ยก็คือเครื่องล็อกเนี่ย ล, ล็อกเป็นอาจจะเป็นเครื่องล็อกของพวกเทวดาเขานะท่านผู้ฟังถ้าเราจะบอกว่าเป็นเหล็กหรือเป็นไม้หรือเป็นโลหะชนิดไหนคงจะไม่ใช่เน่เป็นอุปกรณ์การล็อกของพวกเทวดาถ้าจะเปรียบกับมนุษย์นี่ยก็คือเหมือนกับคุณเอาห่วงเหล็กมาล็อกที่ขา2ข้างแขน2ข้างแล้วก็ล็อกที่คอไว้ตรึงติดอยู่กับบนแผ่นกระดานอันนี้คือถ้าเวลาหนี ล, ล็อกด้วย5อันนี้ แต่ถ้าจะหนีล็อกด้วย5อันนี้แต่ถ้าจะไม่หนีก็ถูกล็อกถูกปลูกอยู่ด้วยอีก5อย่างหนึ่งถูกล็อกถูกปูกอยู่ด้วยการมคงคลทางกถ้าหัวหน้าของฝ่ายอสูรคือท้าวเวปเจดเนี่ยเขาคิดว่าพวกเทวดานี้ไม่ดีแต่พวกอสูรดีฉันจะหนีกลับไปที่ที่อยู่ของฉันตีวิบานของฉันเด็ก็จะถูกรัดด้วยเครื่องรัด5อย่างนี้ที่ขาที่แขนแล้วก็ที่คอ ในทางตรงกันข้ามท่านจะอยู่นะี่ยคืออยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ที่บ้านของพระอินทเนี่ยไม่ไปบัญชาการรบแต่ทนะ่าจะอยู่เนะีโดยมีความคิดว่าพวกอสูรเนี่ยไม่ดีแลนะ่พวกเทวดานี่เป็นฝ่ายดีฉันจะอยู่ที่นี่ละ่นะเนีอยู่ที่นี่ก็เ อ, อิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการมกุญต่างนะที่เป็นของพวกเทวดาซึ่งมันก็ดีอีกนะจะอยู่ก็ถูกผูกอีกจะหนีก็ถูกรัดอีก ทั้งหมด10อย่างนี้ถูกผูกอยู่ด้วยการมงคลทั้ง5ก็ตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างถ้าจะหนีก็ถูกผูกอยู่ด้วยเครื่องรัดที่ขาสองข้างแขนสองข้างแล้วก็คอทั้งหมด10อย่างตัวนี้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ตามบวชบอกว่าเครื่องผูกของเท้าสักการเทวราชหัวหน้าของฝ่ายเทวดาที่ผูกเท้าเวปจิตหัวหน้าของฝ่ายอสูรเนี่ยละเอียดอย่างนี้เนี่ยมันต้องแน่นขนาดนี้ ทั้งขาที่จะอยู่ทั้งขาที่จะไปแต่เรื่องผูกสั์ให้อยู่ในสังสารวัตรเนี่ยละเอียดกว่านั้ น, นอีกตะมาฟังสมมติว่าเราจะไปตกปลาแต่ น, นี่คือจะอธิบายถึงเวลาที่เขาคนเขาไปตกปลาเขาจะทำยังไงนะคือไม่ใช่หมายความว่าให้ด้มาฟังไปตกปลานะเพราะการตกปลาเป็นการเบียดเบียนชีวิตปลาไม่ดีแต่อธิบายให้ฟังว่า พวกคนที่เขาจะไปตกปลาเนี่ยเขาไม่ได้หวังความปลอดภยัยไม่ได้หวังความกเกษมกับปลาแต่คือเขาจะจับปลาละ่ะเขาหวังความฉิ้มหายหวังความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับปลาถึงแม้คุณจะจับมันแล้วคุก็ปล่อยมันไปก็ตามแต่มันก็เจ็บแต่เขาจะต้องทํำยังไงเขาก็จะเอาเบดซึ่งเบ็ดนี่คือเป็นลักษณะของของกับดักเป็นลักษณะของสิ่งที่จะทําอันตรายนะให้กับสิ่งที่เรากําลังจะไปรออมันได้ให้กับปลาได้ในกรณีนี้เขาก็จะเอาเบด แล้วก็เอาเหยื่อเบ็ดนํามาร้อยกับเบ็ดเหยื่อในที่นี้อาจจะเป็นนอนอาจจะเป็นรูปอะไรต่างที่ปลามันจะกินนะนิดๆหน่อยๆนะคําว่าเหยือ่อจำบางังเหยือ่อในที่นี้คือหมายถึงเหยื่อล่อเหยื่อล่อเนี่ยคือนิดเดียวเยวเพื่อล่อให้คนมาติดกับนี่คือลักษณะของกับดักกับดักก็คือสิ่งที่คุณจะมองไม่เห็นเดีวนะคุณตกลงไปในกับดักเดนะีซึ่งกับดักตรงนี้ ก็คืออันตรายในะที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ตัวนั้นกับสิ่งนั้นที่เรากําลังจะไปล่อมันมีอยู่2 ส, ส่วนด้วยวันนะคือเหยื่อนะคือเหยื่อเนี่ยคือเหยื่อล่อให้หลงไปติดกับดักนะครับดักอาจจะเป็นที่จับขังอาจจะเป็นเบ็ดอาจจะเป็นสิ่งที่จะทําอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นคืออันตรายอันนี้คือ2 ส, ส่วนที่เราเห็นจากกรรมวิธีที่เขาไปตกปลาแต่ส่วนที่3มก็ยังมีอีกส่วนที่3เนี่ยก็เรียกว่าสิ่งกั้น แต่ตัวอย่างนี้ก็มีที่พระพุทธาได้ยกเอาไว้คือเรื่องของกวางมีฝูงกวางเนื้อทรายฝูงหนึ่งท่องเที่ยวเล่นอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มที่แบบมันน่าพอใจวิ่งไปได้สะดวกมีหญ้ามีอะไรกินรับประทานก็มีคนที่มาปิดทางที่มันจะไปแล้วมันจะปลอดภยัยปิดเอาไว้ล้อมล้อมมาไว้ให้ดีแล้วก็เปิดทางที่ถ้ามันไปแล้วมันจะไปติดกับเปิดทางตรงนี้เอาไว้ ปิดทางที่มันจะไปแล้วปลอดภัยปิดเอาไว้เปิดทางที่มันจะไปติดกับเปิดเอาไว้แต่แล้วก็เอาเหยียบไปล่อล่อให้มันไปทางที่ไม่ดีแล้วเราก็ทางที่มันจะไปดีก็ไม่ให้มันไปปิดเอาไว้บังเอาไว้ัลักษณะตรงนี้ท่านฟังคือสิ่งที่คล้ายๆกันกับเครื่องผูกของเท้าวประจิตคือที่ที่จะหนีไปได้ก็บังเอาไว้ปิดเอาไว้ไม่ให้หนีไปนก็คือลักษณะของเครื่องผูก5อย่างที่แขนที่ขาในที่ที่ มันจะไปแล้วไม่ดีไปแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อสูรแล้วก็เปิดเอาไว้ ล, วล่อเอาไว้อีกให้รึงรัดอยู่ตรงนี้ด้วยการบุกุนต่างหากสัตว์โลกทัาา้งปวงสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เลยถูกผูกด้วยเครื่องผูกชนิดที่ละเอียดมากแต่ทั้งสองอย่างคืออันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือลักษณะของสิ่งที่เป็นอกุศละธรรมแต่ที่เราจะไปทําได้นั่นเป็นอันตรายในทางที่มันจะล่อ ให้เราไปทําอันตรายเหล่านั้นเขาก็จะเอาสิ่งมาล่อนั่นคือกามมะกุลนะกามเนี่ยเป็นเหยื่อของโลกท่านผฟังกาบนะกามเป็นเหยื่อของโลกกามเป็นเหยื่อของโลกเหยื่อมาล่อนั่นก็คือเหมือนกับอะไรเล็กๆน้อยๆอยที่มันจะทําให้เรามีความสุขเล็กๆน้อยๆเราก็ทําไปไปทางนี้ไปทางนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะเริ่มทําอกุศลก็จะเริ่มติดกับดักของมานติดกับดักของมาร น, นะกับดักนั้นจะมีอยู่2องค์ประกอบ นั่นคืเป็นเหยื่อแล้วก็เป็นที่จับค้างที่ที่จะเป็นอันตรายหรือว่าที่ที่จะทําให้มีความเจ็บปวดมีความทุกข์ลักษณะนั้นก็เรียกว่าเป็นกับดักที่เหมือนเบ็ดสําหรับปลาในเหยื่อที่ติดอยู่ตรงนั้นนิดนึงนั่นคือกามคือกามที่ว่าล่อให้เราไปติดกับดักแต่แล้วถ้าเราจะออกไปทางที่มันจะถูกทางที่มันจะดีทางที่มันไม่ใช่เป็นกับดักนั่นก็ถูกปิดทางนั้นไว้ถูกปิดอยู่ด้วยอวิชชา ถูกล่อไปด้วยตัณหาไปถึงกับดักคือเรื่องราวที่เป็นอกุโสลธรรมต่างๆเนีเช่นกําเนิดเดราาัจฉานเปวิสัยทําเรื่องที่เป็นอคุโสลธรรมเบียดเบียนกันหรือสุดท้ายก็เอเวชีมหานรกไปตรงนั้นนี่คือลักษณะของกคำดักที่เขาวางเอาไว้เหยื่อล่อที่เขาล่ อ, อไว้คเครื่องปิดกัน้นที่เขาปิดเอาไว้ในคนเราเนี่ยแต่บัง จะไป น, นั่งสมาธิที่จะเป็นทางออกจากเรื่องของกรารมที่จะทําให้ไปสู่ที่กเกษมที่ปลอดภัยเงี้ยก็โอ้เดี๋ยวเจ็บโอ้เดี๋ยวไม่ว่างโอ้เดี๋ยวยังติดธุระนี่อยู่โอ้เดี๋ยวว่างๆค่อยไปในความที่คุณไปทางนั้นไม่ได้ไปทางที่มันไปแล้วมันจะดีมันจะหลุดออกจากกรารมได้ไม่ไปหาเหยื่อของมารเนี่ยก็กลับถูกปิดเอาไว้ด้วยอวิชชาแต่ถ้าไม่เราคิดไปอย่างนั้นว่าไปตรงนั้นมันจะไม่ดีแต่ไปทางนี้สิดี แตนะ่ทำการงานเที่ยวเล่นกินดื่มมันดีมันมันเป็นต้องเรื่องต้องใช้เวลาแตนะ่ตอนนี้ยังไม่แก่เลยใช้ชีวิตให้เต็มที่แตนะ่ถูกล่ อ, อไปทางนั้นแต่ถ้าไปทางนั้นลุ่มหลงแน่นะติดกับมันะติดกับดักอย่างบางับงๆเบาๆลุ่มหลงมากขึ้นผนะูกแน่นมากขึ้นแล้วก็ทําไม่ดีไปเรื่อยๆมันก็เริ่มจากคิดไม่ดีก่อนแตนะ่คิดในการที่จะลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินไม่เห็นโทษเริ่มคิดไม่ดีละ ต่อไปถูกผูกเรื่องรัดแน่นมากขึ้นกินเยื่อมันมากขึ้นผูกแน่นขึ้นแล้วก็เริ่มมีวาจาที่ไม่ดีมีวาจาที่ไม่ดีแต่ตอนแรกก็แค่คิดไม่ดีต่อมา ก, ก็พูดไม่ดีด้วยพูดไม่ดีมากเข้ามากเข้าจนทําเป็นนิสัยฝังรากลึกเป็นทิฏฐิเป็นความคิดเป็นความดำริที่ผิดความคิดความดำริที่ผิดนี่ก็เป็นมิจฉาสังกะบ่แล้วนะจากการพูดจากการทําทําบ่อยจนเป็นคิดในตริตหรือในเรื่องใดๆมากจีก็น้อมไปในทางนั้น เพราะจิตน้อมไปในทางเริ่มจะเป็นมิจฉาคือการกระทําที่ไม่ดีการกระทําที่ผิดแล้วก็เริ่มจะมีการประพฤติผิดทางกายประพฤติทางวาจามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำอยู่บ่อยๆนะ แ, แกเท่าก็ยิ่งจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนมีการเปลียยนแปลนกันมากขึ้นอันนี้คือติดกับเข้าไปอันตรายมากขึ้นมากขึ้นในที่เจอนี่ก็อันตรายพอแรงแล้วแต่ก็ยิ่งหนักหน้าเข้าไปเพราะว่าถูกล่อเข้าไปถูกล่อเข้าไปด้วยเหยื่อของโลก เย่อนี้คือการมาคุณเ ล, เล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าเราจะมีความสุขจากสิ่งนั้นได้ถูกล่อแค่นั้นเองแล้วก็ไปติดกับแต่ที่มันจะเป็นอันตรายที่มากขึ้นและมากขึ้ น, นจนสุดท้ายถ้าตายไปไปตกนรกหรือไปเป็นกําเนิดเดรัจฉานหรืออยู่ในเปรตวิสัยหรือว่าไปอบายทุกขติมิฏิบาตพวกเนี้โอ้โหมันหนักมากาเป็นที่ที่ไม่ควรไปเลยติดกับอย่างแรงลงไปลึกด้วยถูกบาดเจ็บปวดคิดว่าจะห น, นีจะออกจากตรงนี้ แม้ก็ถูกปิดกั้นด้วยความคิดที่เป็นมิจฉาของเราไปก็ไปไม่ได้นะถูกล็อกอยู่ตรงนั้นถูกผูกอยู่ตรงนั้นนะสัตว์ที่เป็นอย่างนี้ตะวันฝังพอในพรานมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะจับไม่ได้ตามใจเขาเลยถูกจับไม่ได้ตามใจเขาเลยนะสัตว์ตัวนั้นจะไม่มีทางที่จะหนีไปไหนได้นะเพราะทางหนีที่ไล่ก็ถูกปิดด้วยอวิชชานะทางที่จะไปมีทางเดียวก็ยิ่งไปเร็วด้วยเพราะมีเหยื่อมารอให้มันติดกับได้มากขึ้นและมากขึ้นก็ยิ่ง จะรึงรัดแน่นขึ้นถูกจับได้ง่ายขึ้นลองดูสิทางออกที่เราจะออกไปสู่ที่เกษมนะกลับถูกปิดไว้ด้วยความคิดที่ว่าเฮ้ยทีนี้คนเขาก็โกงกันแต่นะเขาต้องกินเปอร์เซ็นต์แต่พอเราจะไม่กองก็ทําได้ยากแต่นะเพราะว่าถูกปิดกันแต่นะถูกปิดด้วยค่านิยมแบบนี้แต่นะมันมาปิดไว้ไปไม่ได้ละอันนี้คือเขาผูกสัตว์โลกไว้อย่างนี้แต่นะถ้าท่านผู้ฟังเป็นท้าวเวปจิตแต่นะถ้าสมมตินะสมมติเฉยๆสมมติแต่นะถ้าท่านผู้ฟังถูกผูก ยู่ด้วยเครื่องผูกแบบเท้าไว้ประจิตเนี่ยจะหนีแล้วก็ถูกรัดไว้ที่แขนที่ขาที่คอและ้วจะอยู่ก็ถูกรัดแน่นอีกโดยเครื่องผูกคือกามะคุณแล้วจะออกจากตรงนั้นได้ยังไงจะออกจากตรงนั้นได้ไงเท้าไอ้ประจิตจะหนีออกจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วกลับไปที่ภพแห่งอสูรได้อย่างไรลอง้อนกลับไปคิดถึงตัวเราเองแต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์นี้ที่ทางหนีก็ถูกปิดเอาไว้ แต่ทางที่มันจะไปแล้วมันจะชีพหายไปแล้วมันจะเป็นอันตรายกับถูกเปิดเอาไว้มีเหยื่อล่ออีกคิดว่าตรงนี้ไปแล้วมันจะดีแล้วเราจะออกจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรคืออันนี้มีคนบอกไปแล้วมีคนทําไว้ให้ดูแล้วมีคนเขาเปิดทางไว้ให้แล้วลเรายังโชคดีจำบมาังเรายังโชคดีแต่โชคดีเที่ยงมีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เปิดทางที่มันจะไปแล้วปลอดภัยเนี่ยเปิดไว้ให้ชี้ทางไว้ให้บอกว่าทางนั้นอย่าไป บอกว่าทางนั้นที่เห็นว่ามันมีเหยืห่อลอ่อมันมีเครื่องไปแล้วมันจะดีเนี่ยอย่าไปทางนั้นแต่ให้ไปทางนี้ทางนี้ที่ว่าเราคิดว่าเราจะไปไม่ได้ไปแล้วมันติดขัดเนี่ยไปทางนี้ดี เ, เปิดให้เห็น อ, อ๋อมีช่องไปอยู่ตรงนี้นไปได้นี่นาะแต่ว่าทางนั้นแมมเปิดโล่งคิดว่ามันจะไปแล้วดีไม่ใช่ไปแล้วมันไม่ดีชี้โทษให้เห็นปิดทางนั้นเอาไว้บอกไปทางนั้นไม่ดีแต่เปิดทางนี้ไว้ชี้ช่องให้เห็น ว่ามันไปได้มีช่องลอดไปได้มีรูให้เราไปได้บใบทั้งเนี้ยมันจะกเกษมทางนั้นคืออะไรท่าฟังทางนั้นคืออะไรทางนั้นก็คือการที่เรามาตั้งอยู่ในธรรมประพฤติทธรรมประพฤติสม่ําเสมอปฏิบัติชอบยิ่งการสร้างกุศลการบําเพ็ญบุญนั่นคือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานั่นคือการปฏิบัติตามปริยญญคมีองค์แดช่องตรงนี้มีอยู่ให้ไปทางนี้ไปทางนี้แต่ทางที่มันดูเหมือนว่า มันจะไปแล้วมันจะดีมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนั้นเป็นเหยื่อล่อระวังให้ดีมันมีโทษอยู่โทษของการมีมากมายบอกไว้ให้เห็นว่าการเปรียบด้วยเคียงสับเนื้อการเปรียบด้วยของในความฝันการเปรียบด้วยของยืมเข้ามาการเปรียบด้วยชิ้นเนื้อการเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าการเปรียบด้วยผลไม้โทษของการมีอย่างต่างๆเยอะแยะไปหมดอันตรายตรงนั้นอันตราย ที่ดูเหมือนมั่มจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆพอเข็ดๆฟันแต่มันเป็นอันตรายอย่าไปทางนั้นแต่ให้ไปทางนี้ทางนี้คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองก็แต่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเหนื่อยแต่มันจะเมื่อยไปนั่งสมาธิโอ้ตั้งหลายวันทำไม่ได้หรอกจะไม่พูดคุยกันนะโอ้มันจะไปได้ยังไงก่อนนั้นแหละตะม่วงมันถูกบังเอาไว้อยู่ด้วยอวิชชาในคิดว่าทําดีแล้วมันจะไม่ดีมันเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยคือคนถ้าบอกว่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อยล้า มันก็จะมีแต่หลับแต่นอนมันจะไม่ทําอะไรอะ่ะมันก็จะไปทางที่สบายที่เขาล่อเหยื่อเอาไว้ให้เห็นว่าสบายแต่ไปสุดท้ายตัวนั้นมันจะลําบากเกที่เราควรจะต้องใช้วัดท่านบวชังคือเรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลพระเบชาระแต่ยังยิ่บอกว่าถ้าเบอกว่าเราดํารงตนอยู่ในความสบายแล้วอกุศลมันเกิดนั่นคือไปทางโน้นนะคือไปทางโน้ น, นะ ไ, ป น, นไปทางที่เราคิดว่ามันจะสบายแต่ว่าอกุศลทํามันเกิดนไะงเราเปลอเพลินไปในกาม ให้เราถูกรังรัดมากขึ้นให้เรายิ่งทำมากขึ้นได้ทำไมเราพูดไม่ดีในเราคิดไม่ดีมีเรื่องทะเลาะกันเฮ้นี่มันไม่ใช่กุศลธรรมหน้าเอามาคิดดูอีกที่นึงให้เราดำลงตนอยู่ในความสบายนะอากุศลธรรมเกิดกุศลธรรมเสื่อมไปเฮ้คิดต่อไปแตนะ่ถ้าเราดำลงตนอยู่ในความลำบากอกุศลธรรมกลับเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมกลับเสื่อมไป ดำรงตนอยู่ในความลำบากเช่นบางทีนั่งสมาธิก็อาจจะปวดบ้างอาจจะทําสิ่งที่ไม่คุ้นเคยไม่เคยชิยนบ้างแต่มันทําแล้วกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นนะอกุศลธรรมมันจะดับไปนะอาจจะไปอยู่วัดอยู่เรีเล่นกินอาหารที่เขาจัดมาให้บางทีก็ชอบใจไม่ชอบใจบ้างพักที่อยู่ตามที่จัดให้บางทีก็ไม่คุ้นเคยอุปกรณ์อะไรต่างๆไม่เหมือนเราอยู่ที่บ้านก็ไม่คุ้นเคยอาจจะมีความไม่สบาย แต่อยู่แล้วมันจะดีนะเราเป็นคนอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายเอออันนี้เป็นอ ก, กุศลธรรมในความที่เป็นอยู่ยากเลี้ยงยากที่เป็นอ ก, กุศลธรรมเออมันก็หายไปฮะแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆท่านผู้ังว่าถ้าอยู่สบายในที่เป็นไปนในทางกามกุศลทั้งหลายแล้วอ ก, กุศลธรรมมันจะเกิด ก, กุศลธรรมมันจะเสื่อมไปพิจารณาดูดีๆอีกทีหนึงนะว่าถ้าเราอยู่อย่างลําบากอ ก, กุศลธรรมมันจะลดลงไป สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นเรื่องอกุศลมีการคิดด่าคิดว่าคิดไม่ดีมันจะลดลงไปสิ่งที่มันจะดีจะงามเป็นกุศลเป็นการให้ทารักษาสีจเจริญภาวนาะมันจะเพิ่มขึ้นดีขึ้นแต่เป็นการทําความเพียรเป็นการที่มีความฉันโดดพวกนี้เป็นกุศลระดต่าทั้งสิ้นมันจะดีขึ้นจเจริญขึ้นเราคิดได้แล้วเนี่ยนะเพราะว่ามีคนมาสอนนะมีคนมาบอกเนะ่ยว่าช่องทางมันไปทางนี้ให้เราทําเลยแตนะ่ช่องทาง เคลียไว้ให้แล้วเปิดไปให้แล้วทางนี้ทางดีไอ้ทางที่มันดูเหมือนดีแตนะ่ที่อาจจะมีความสุขเล็กๆน้อยเป็นเหยื่อล่อนะบอกว่าถึงอันตรายตรงนั้นไว้ให้แล้วนะปิดกั้นเอาไว้ให้แล้วเปิดทางที่มันจะไปดีไปได้ไว้ให้แล้วทุกฝังทางออกอยู่ตรงนี้เราอย่าไปหลงในเหยื่อของโลกนะเหยื่อนะเหยื่อล่อคือกรรมกุณกับดักคือเรื่องอกุศลธรรมทั้งหลายแหลนะแต่ที่มันบังเอาไว้ถูกบังเอาไว้ด้วยเหยื่อกับดักเนี่ยซ่อนอยู่หลังเหยื่อ กับดาคือสิ่งที่จะจับขังเรากับดาคือสิ่งที่จะทําอันตรายให้เราจะถูกเหยื่อจะถูกเหยื่อล่อนะบังเอาไวนะ้ไอทางที่มันจะไปดีไปได้เป็นความสุขเป็นความจเจริญก็ถูกบังเอาไว้อย่าไปลงตรงนั้นไอทางที่มันดูเหมือนจะไปไม่ดีไปไม่ได้่นะเกิดความท้อแท้ท้อถอยเข้าไม่นิยมกันนะอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้าสอนว่าทางนี้จะไปดีนะคือการกระทำตามมรรคแปดนะเรื่องศีลสมาธิปัญญาพูดดีคิดดีทําดี ทำสิ่งที่เป็นกุศลให้ไปทางนั้นนะเปิดตางไว้ให้แล้วทำอย่างนี้ท่านปรวังเราจะหลุดเราจะออกจากกับดักนี้ได้นะเราจะออกไปสู่ที่ที่มันจ ะ, กะเกษมที่มันจะมีความปลอดภัยที่มันจะมีความดับไปของเหล่าความทุกนี้อยู่ได้อนะวิชาท่านปรวังเป็นเครื่องปิดตรงนี้ตันเองแต่เป็นเครื่องปิดที่จะทําให้เราไม่เดินไปในทางที่ถูกแตนะ่มันบังเอาไว้นะตันหาเป็นเครื่องล่อที่ทำให้จิตของเราน้มไปในทางกาม เราต้องเปิดเจ้าอวิชชาด้วยวิชาเราลอกเจ้าตัณหาออกด้วยมรรคแปดเราปฏิบัติตามมรรคแปดเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาและชื่อว่าเปิดตัณหาออกชื่อว่าเปิดอวิชชาออกแชื่อว่าลอกตัณหาออกเราทําไปในสองทางพร้อมกันลอกอวิชชาออกแต่าจีของเราที่บางทีมันน้อมไปในทางกลามนั่นเพราะอํานาจของตัณหามันฝังอยู่ในใจและาจีของเราที่บางทีเราไม่เห็นทางไปที่มันถูกต้องนั่นเพราะอํานาจของอวิชชา ที่มันปกคลุมใจเราอยู่เราก็เปิดอวิชาวเราก็ลอกตันหาออกวิธีการกระทําคือหันให้มันไปถูกด้านต้นนั้นเองถ้าหันไปผิดด้านหันไปทางกลามเราจะไปสู่อันตรายเป็นกับดักของมานเราก็หันให้มันถูกด้านแล้วใช้กําลังเดินไปทางนั้นหันให้มันเป็นทางที่มันจะไปสู่ที่เปิดโล่งเกษมแต่มันดูเหมือนปิดเนี่ยเพราะมันถูกปิดอยู่ในอวิชาลุยไปเลยทมเลยด้วยความเปลี่ยนให้มีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธาตัฝัง เราไปในทิศทางที่มันจะเป็นไปในทางศีลสมาธิปัญญาไปในทิศทางที่มันจะเป็นไปในสัมมาทิฏฐิไปในทิศทางที่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลเราวัดกันตรงนี้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อที่จะละราคะละโทสะละโมหะอันนั้นคือดีไปทางนี้อะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อกุศลธรรมเป็นการเกื้อกลุ่นกันเอื้อเฟื้อกันไม่เบียดเบียนกันไปทางนั้นถ้าเราทำสิ่งที่ไม่เป็นไปในราคะไม่เป็นไปในโทสะไม่เป็นไปในโมหะ ท, ทํำสิ่งที่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลบางทีเขาด่าว่าเราแล้วก็อยู่ลําบากบ้างแต่กุศลธรรมเกิดจะทําไม่ใครจะอะไรแต่เรามีความเพียรเรามีความมั่นใจไปทางนี้จำไว้วังตรงนี้เป็นช่วงทวนกระแสแต่ถ้าเราทวนกระแสได้ทดําดีมีความมั่นใจและมีที่เกาะที่พึ่งที่จับที่ช่วยนั่นคือคําสอนในการฟังธรรมะช่วยได้การไปยูนลีกเรนช่วยได้การที่เราอ่านหนังสือธรรมะคบคนที่ดีๆคนที่เขามีธรรมะเหมือนกัน เดเพื่อนชั่วคนชั่วคนพานเราอย่าไปคบนั้นเราจะค่อยไปทางนี้ได้เราจะออกจากเหยื่อล่อเราจะออกจากกับดักเราจะเปียวิถีชีวิตของเราได้เนจากที่ไม่ดีให้มันเป็นดีจากที่หันผิดให้เป็นหันถูกจากที่ปิดที่มืดปกคลุมให้เป็นเปิดโลกให้เป็นสว่างจากที่ที่มันจะลงต่ําได้ให้มันไปสูงขึ้นท่านบาฟังเราสามารถทําได้โดยการที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระประชาจ้านี่แหละให้มีความมั่นใจในวันนี้ข้าประชาพระมหาภัยบุญ อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเพราะว่าไม่ในวันพรุ่งนี้จะเรียนผ่อน